บุ๊กทูสิบเก้าปันตมิเในห้องครัววอนทกดิโลคุณมีห้องครัวใหม่ใช่ไหมคะมีกูกวดตะวันตะยุดนดดวันนี้คุณอยากจะทำอาหารอะไรคะ ยโรมีเยิมนด้นอนกหทุนารูคุณใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สทำอาหารมีอเล็กริเลดกตัมิเยมวันตาฉันควรจะหั่นหัวหอมดีไหมคะเนนูบุลลีพายลตากนนะดิฉันควรจะปอกมันฝรั่งดีไหมคะ เนนบังการ์ดุมเปลาตกุตีนะดิฉันควรจะล้างผักาดหอมดีไหมคะเนนุโตตะกุรนิกะดกง น, นะแก้วน้ำอยู่ที่ไหนกลาสลรเอแยกระดุูในจานชามอยู่ที่ไหนหินเนลหเอแยกระดุูในช้อนซ่อมและมีดอยู่ที่ไหน ชำเจ้าลูกกัตตุลุยกักกะดวนในคุณมีที่เปิดกระป๋องไหมคะแกนสนิทเติร์เช่ปาริกรรมยกรักกะด้วนดีคุณมีที่เปิดขวดไหมคะบ็อตต e ลล์นิเติร์เช่ปาริกรรมยกรักด้ดีคุณมีที่ดึงจุก ก, ก๊อกไหมคะมีวัตถะก๊อกสกรูวุนด คุณกำลังทำซุปในหม้อใบนี้ใช่ไหมคะมีะมรูซุปนี้อีกุนดาลวอนต์ตาระคุณกำลังทอดปลาในกระทะใบนี้ใช่ไหมคะมีะมรูเจเปนี้อีกแพนส์ลวเวสต์ตาระคุณกำลังย่างผักบนเตา ย, ย่างนี้ใช่ไหมคะมีะมรูกูรก์เกลนีอีกรีลไปกรีลเชสตุนาระ ดิฉันกําลังตั้งโต๊ะนี่นุบัลและนิสัดตุนนานุนี่คือมีดซ่อมและช้อนกัตโตโลฟ ork โลมาริโสปู o ลูโอิ ก, กัดวุ่นไนนี่คือแก้วน้ำจานและกระดาษเช็ดปาก g ล a s s ลู l a t e โ ล, ล, ลมารยโอ napkins อิกัดวุ่ น, น, กกนไน